ตอนรักให้เป็นวันที่24กรกฎาคม 2,559 กหราบนก้าบนัส ก, การพระคุณเจ้าสามเณรคุณเมชีกัลยะมิตรทุกท่านก็นั่งสบายๆนะเป็นธรรมดาทุกคืนวันอาทิตย์ก็อาทิตย์นี้มีคำถาม คำถามเพิ่งยื่นมาเมื่อกี้เนี่ยน้อาเปลียนถามพ่อครูค่ะในช่วงอริยบทนอนเห็นอาการดิ้นรนทุรนทุลายจะเป็นจะตายเหงื่อแตกท่วมตัวร้อนไปหมดทั้งตัวจิตขณะนั้นไม่คิดจะขยับตัวหนีสู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจนหมดเวลา แต่กับรู้สึกตัวเบาซึ่งต่างกับช่วงมรณานุสตินอนตายกับนิ่งเฉยสงบขอความเมตตาพระครูช่วยอธิบายด้วยค่ะก็เรานอนเฉยเฉยเนาะเราไม่ได้ไปผิงไฟที่ไหนมันก็คงไม่ร้อนแบบนั้นเนาะก็แน่นอนไม่ใช่เวทนาเกิดขึ้นปัจจุบันนะมันเป็นธรรมลมนะคำว่าธรรมลมเนี่ย มันเป็นอารมณ์ทางธรรมซึ่งมันเป็นของเก่าเราฝังอยู่จิตสํานึกแล้วก็จิตใต้สํานึกแต่ถ้าเป็นเวทนาก็คือว่ามันเกิดขึ้นปัจจุบันเราไปวิ่งเราไปวิ่งปุ๊บเราก็รู้สึกเหนื่อยนะหรว่าฟ้าผ่าเราตกใจอย่างนี้เนี่ยอันนี้เป็นเวทนาปัจจุบันแต่ถ้าเรานอนอยู่เฉยเฉยมันเกิดอารมณ์แบบนี้น่ยมันเป็นธรรมอารมณ์นะมันเป็นอารมณ์ที่ค้างค า, า, า, าอยู่ข้างในมีสองระดับ คือหนึ่งจิตสำนึกอีกันนึงคือจิตใต้สำนึกนะก็มันต่างกันเพราะใ่ช่วงเวลาเนี่ยอันนึงนอนตายนะถ้าเวลานั้นเนี่ยเรานอนเฉยเฉยไม่ต้องคิดอะไรนะมันก็สงบนิ่งเอาเป็นว่ามันไม่มันไม่มีสูสตรสาเร็จบางวันเนี่ยเราอยู่ในอดีตแบบนอนเฉยเฉยะเกิดความสงบ บางเวลาบางวันเนี่ยนอนตายเนี่ยเกิดความทุกข์ทรมานถ้าเกิดมันพิจารณาความตายมันรู้สึกว่ามันไม่พร้อมที่จะตายนะอันนี้ก็มันเป็นนานาจิตตังแต่ละคนไม่เหมือนกันและตัวเราเองแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันนะเพราะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยงเอาเป็นว่าอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นก็ช่างมันนะจะเป็นเวทนาจะเป็นธรรมลม <c oughs> เรารู้เฉย เรารู้เฉยๆนะนี่คือหน้าที่เร า, เามารู้เฉยๆอารมณ์ข้างนอกที่พระครูเรียกเวทนาเนี่ยนะเป็นอารมณ์ข้างนอกคืออยู่อยู่กายภาพปัจจุบันถ้าเป็นอารมณ์ข้างในนะเป็นธรรมอรมณนะ์อารมณ์ข้างนอกอารมณ์ข้างใน <c oughs> ร่างกายนอนอยู่เราก็รู้ว่ามันนอนอยู่ นะเรารู้ว่ามันนอนอยู่อารมณ์เล่ารอนดินน้นรนเกิดขึ้นมาเราก็รู้รู้เฉยๆอีกสเตทหนึ่งร่างกายนอนอยู่เราก็รู้ว่ามันนอนอยู่แล้วมันสงบนิ่งมากเราก็รู้ว่ามันสงบนิ่งนะวิปัสสนาคือไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องตัดสินไม่มีการกระทําโดยการสั่งการนี่แหละก็นอนเฉยๆนะอันนี้นอนเฉยๆเกิดอารมณ์ร้อนรุ่มดินน้นรน อั น, นี้นอนเฉยๆเกิดความสงบนิ่งเห็นไหมอารมณ์เหล่านี้ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราไปนอนท่าไหนนะแม้กระทั่งบางครั้งเราเต้นขนาดเต้นแรงๆเลยนะนะอารมณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นมันไม่เกี่ยวกับที่เราเต้นเมื่อกี้เหนืยเห็นไหมมันไม่เกี่ยวกับที่เราเต้นบางทีเราเต้นอย่างเด็กๆเขาเต้นเข้าไปดิสโก้เทคเนี่ยเขาเต้นเพราะเขาอยากเต้นเขาสร้างอารมณ์สนุกสนานขึ้นมานะเขาตั้งใจ สร้างอารมณ์สนุกสนานขึ้นมาอันนี้เต้นด้วยอารมณ์สนุกสนานขาดสติถ้าเราเต้นด้วยสติสมาธิแล้วเนี่ยบางทีอารมณ์มันผุดขึ้นมาเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับที่เราเต้นเลยนะมันไม่ได้ยินดียินร้ายกับสิ่งที่เราเต้นแต่มันเป็นของเก่ามันผุดขึ้นมาใช่ไหมเราก็รู้ว่าเวลานี่นเรากลังเต้นอารมณ์มันผุดขึ้นมานี่ยเราก็รู้อีกนะนี่คือสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอันนี้เขาเรียกว่าวิปัสสนานะ ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนน้อในช่วงที่พ่อครูบรรยายธรรมขณะที่กําลังยืนเดินนั่งนอนอยู่นั้นฟังเสียงไปจิตนิ่งกับการปฏิบัตินั้นธรรมะที่พ่อครูพูดในบางช่วงบางตอนเกิดเข้าจิตทำให้จิตพลิกแล้วกลับมานิ่งสงบและเบาอย่างนี้เรียกฟังธรรมแล้วเข้าจิตหรือเปล่าคะ จิตสู่จิ ต, จตบางทีเราฟังปิ้งเดียวเองเราไม่ได้ไปคิดเลยนะจิตมันเข้าใจนะมันเกิดปัญญาขึ้นมาเรียกว่าสุตมยะปัญญาปัญญาเกิดจากก็ได้ยินได้ฟังบางคนปิ้งเดียวบรรลุธรรมเลยนะถ้าเกิดว่าเขาค้างแค่ข้อเดียวบางทีฟังตัวนั้นมันปลดตัวนั้นเลยเนี่ยเหมือนออพระอัญญากลทัญญานะผู้เจ้าปฐมนิเทศนาเนี่ยนะ พูดเข้าไปจิตสื่อจิตเข็นกองล้อของธรรมจักรคือจิตอัญญากวนัญญะอิสระเกิดการหมุนขึ้นมาเนี่นี่คือธรรมจักรกับปวนสูตรปัญญาในเวลานั้นมันเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังเรียกว่าสุตะมยปัญญาบางคนปิ้งเดียวก็เป็นลูกเป็นพระอรหันต์อัญญาควนธัญะปิ้งเดียวเป็นโสดาบันนะอันนี้คือมันไม่เกี่ยวกับว่าที่เราบอกไอ้เข้าจิตหรือว่า ไม่เข้าจิตเนี่ยนะเราภาษาเราพูดกันมันมีฐานกายฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมที่เราฝึกมหาสติปัฏฐานเนี่ยช่วงที่มันเหวียงเข้าไปในจิตในจิตเนี่ยเราเขาว่าเข้าไปในจิตเข้าไปในฐานจิตแต่การฟังธรรมเนี่ยนะมันก็จิตสื่อจิตล่ะไม่ได้ผ่านสมองคิดเราฟังธรรมปุ๊บเราได้ยินปุ๊บจิตมันตึ้งเดี่ยวตอนนั้นเองแหละพอมัน มันเหมือนมันเข้าใจเหมือนเหมือนมันเข้าใจภาษาคือมันไม่ได้เข้าใจนคือจิตมันเข้าใจถ้าเข้าใจเราเนี่ยในทางโลกว่าอ๋อเขาบรรยายเข้าใจอันนั้นเข้าใจไม่เข้าจิตสมองรู้แต่จิตไม่รู้นะแต่วินาทีนั้นน่ะจิตมันรู้มันรู้มันก็ปล่อยวางวางแล้วมันก็ว่างมันก็เกิดความสงบขึ้นนะอันนี้ลักษณะว่าจิตสื่อจิตฟังธรรมเนี่ยก็ฟังนะพอมันเข้าจิต คำว่าเข้าจิตมันก็นแปลว่าคือเข้าใจนั่นแหละเราบอภาษาเราบอกเข้าใจมันเป็นเรื่องของนอกแต่แต่เข้าจิตหมายถึงว่าจิตมันเข้าใจนะเราจะเบาเหมือนเหมือนเราปลดปล่อยไอ้ไอ้ข้อลังเลสงสัยสักอย่างหนึ่งนะหรือเวลานั้นเรามีบ่วงกรรมนิดหนึ่งมันมาครอบงําเราเพราวินัยทิฏมันเกิดปัญญาปึง้งมันก็วางบ่วงกรรมนั้นได้มันปลดปล่อยตัวเองอันนี้ปิ้งเดียวบางทีเป็นผ้ า, าหันเลยก็ได้เนาะ ก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งนะก็คำถามต่อไปอยากให้ลูกมีธรรมะต้องทำอย่างไรอยากให้ลูกมีธรรมะต้องทำอย่างไรเด็กเกิดมาเนี่ยที่พระครูบอกเหมือนผ้าขาวนะแต่ถ้าใครมีจิตที่ละเอียดเราจะเห็นจุดด่างมันจุดหนึ่งอยู่ใน ผ้าขาวผืนนั้นจุดด่างนั้นคือกระแสก ร, รมถ้าเขาไม่มีจุดด่างนั้นเขาก็ไม่ต้องมาเกิดอีกนะเขาเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะระดับหนึ่งนะเขาเป็นธรรมชาติอยู่แล้วระดับหนึ่งก็สิ่งที่เราต้องระวังคือว่าก่อนที่เราจะให้ความรู้เขานั่นแหละนะความรู้ที่จะให้เด็กเรียนรู้นั่นนะ ต้องดูว่าความรู้นั้นน่ะมันเป็นธรรมหรือเปล่าทีนี้คําว่าธรรมเฉยๆเนี่ยมันเป็นของกลางๆนะธรรมะคือธรรมชาติมันมีทั้งฝ่ายบวกฝ่ายลบนะฝ่ายกุศลกับอกุศลคําว่าธรรมเนี่ยไม่ได้หมายว่าเราเพอเราเข้าใจว่าธรรมะปุ๊บเราโยนไปให้ฝ่ายกุศลเพราะเป็นภาษาศาสนาแต่คําว่าธรรมเฉยๆเป็นธรรมดาของเขาอ่า โจรเขามีนิสัยอยากป้นเนี่ยก็เป็นธรรมธรรมดาของเขาคนนี้เนี่ยชอบทําความดีก็เป็นธรรมดาของเขาคําว่าทํามันเป็นกลางๆนะมันเป็นกลางๆทีนี้คําพูดตอนนี้คืออยากให้ลูกมีธรรมะต้องทําอย่างไรนี่เป็นภาษายุคปัจจุบันเนื่องจากเรบาบรยุกยุคทุนนิยมวัตถุนิยมพวกนี้เด็กๆก็รู้สึกไปติดเทคโนโลยีมากมายจนเหมือนว่า ไม่ไม่รู้กาละเทศะไม่รู้หน้าที่เราก็เข้าใจว่าเออเนี่ยมันไม่มีธรรมะนะคนโบราณเ้าบอกรักบัวให้ผูกรักลูกให้ตีนะรักบัวให้ผูกรักลูกให้ตีเนี่ยที่เขาผูกบัวเนี่ยเพราะเขารักวัวนะคนทุกวันนี้นี่ปล่อยเ ป, ปะละเลยความมักง่าย เขาไม่เขาไม่ด้รักกัวนะเขารักกินเนื้อกัวเขาไม่้รักกัวเขาเลี้ยงเพื่อเขารักที่จะกินมันเพื่อจะขายมันเพื่อความมั่งคั่งนะเขาก็เลยปล่อยมันไปนะมันจะเดินไปไหนก็ได้บางทีรถชนบ้างบางทีไปตกเหวตกบอ่อบางทีไปบุลุกที่คนอื่นบ้างคนโบราณเนี่ยเขารักกัว นะเขาถึงไปผูกมันไว้ผูกมันในอยู่ในจุดที่มันปลอดภัยแล้วมีหญ้ากินแล้วก็พอถึงเวลาระดับหนึ่งเขาก็เข้าใจว่าเออหญ้าแถวนั้นมันก็คงหมดแล้วเนี่ยเขาก็จะไปเปลี่ยนที่มันใหม่แล้วก็ไปผูกใหม่เนี่ยเขารั ก, กวัวนะเขารั ก, กวัวแต่คนส่วนมากทุกวันนี้เราเลี้ยงวัวเราไม่รั ก, กวัวเราลักกินเนื้อวัวและเรารักที่จะขายวัวเพื่อมั่งคั่งนะ เราไม่ได้สนใจความปลอดภัยของมันนะเราก็มักง่ายนะก็รักลูกให้ตีเราเข้าใจว่าต้องเอาไมา้ตีลูกนะต้องตีแบบนั้นคำว่าตีนี่ไม่ใช่ลงโทษแบบนั้นตีกรอบให้เขาอยู่ในทํานองของธรรมที่ควรจะเป็นตีกรอบแต่ทุกวันนี้เราไม่ตีกรอบเราส่งเสริมให้เขาหลุดกรอบซื้อมือถือให้เขา นะเพราะว่าเพื่อนมีเขาไม่มีเขาไม่อยากไปโรงเรียนเราลักลูกแบบนั้นอันนั้นเราลักลูกจริงหรือเปล่านะถ้าเราลักลูกจริงต้องดูว่าสิ่งใดที่เรามอบให้เขาเนี่ยมันมีประโยชน์สำหรับเขาไหมเขาปลอดภัยไหมเอาล่ะเขาชอบใจเขาสนุกสนานมันก็ดีอยู่ถ่าในความสนุกสนานความชอบใจนั้ น, น่ะเออมันทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นหรือว่าทาชีวิตให้เขาปลอดภยัย น, นะคำว่าตีในที่นี้ไม่ใช่เป็นลงโทษโดยเอาไม้ไปตีเขานะคือตีกรอบให้เขาอยู่ทํานองคลองทำที่ควรจะเป็นนะช่วงปี 4. สี่ศูนย์เศรษฐกิจเมืองไทยเราเนี่ยเกิดต้มยำกุ้งขึ้นมานะทุกคนลำบากในหลวงของเราพระองค์ก็ชี้ทาง เตือนสติเรียกพวกเราว่าถอยหลังเข้าคลองพราะกูจับนักวิชาการเป่องออกมาแต่ไม่กล้าพูดตรงๆนะเพราะในหลวงท่านเตือนนะพวกนี้นักวิชาการเขาไม่เข้าใจสิ่งที่ท่านพูดนักวิชาการพึ่งเหมือนว่าถอยหลังได้ยังไงเดินมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยล้มมาลุกขึ้นเดินต่อไปเนี่ยนะเดินต่อไปเดี๋ยวมันก็ลมอีกเห็น ไ, ไหม ไอ้เมียบครั้งหนึ่งครั้งสองมันไม่หลาบไม่จำมันมันไม่เดียนรู้ว่ามันลมเพราะอะไรที่พระองค์เตือนเราเนี่ยคือถอยเข้ามาอยู่ทํานองครองธรรมที่มันควรจะเป็นใช่ไหมแต่เราไปเรียนเมืองนอกเราต้องการแข่งขันเสรีนะสู้ตายนะความอยากได้ของเราเนี่ยนะลุกมารีบไปอีกเดี๋ยวกลัวจะไม่ทันเขานะ สุดท้ายคำว่าตามไปว่าไม่ทันนะจริงๆแล้วเด็กเค้เขามีธรรมะของเขาอยู่แล้วถ้าผู้ใหญ่อย่าไปสร้างสังคมเร็วๆให้เขาอยู่อย่าไปเปิดโอกาสให้เขาไปใกล้ชิดไอ้สิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเขามากมายนักในวัยขนาดนี้เห็นไหมพวกคูบอกแล้วว่าคนโบราณเนี่ยเขามีปัญญาพอเด็กวัยที่กาลังดื้อๆเนี่ยเนาะ เด็กก็คือเป็นดีเป็นความปกติของเขาเป็นธรรมของเขาเป็นความปกติของเขานะคนโบราณเขาก็เลยเอาเอาผ้าเหลืองห่อไว้อย่างลูกเนนเห็นไหมคือบวชเนนก่อนนะเพราะวัยขนาดนั้นอนะ่ะเราบ่งเพาะเรื่องเรื่องอุปนิสัยนะสร้างภูมิคุ้มกันให้เขาก่อนแต่ทุกวันนี้ เนื่องจากว่าเราต้องไปแข่งขันกับเขาเรามาสร้างเด็กเราแค่เป็นเครื่องมือในการสู้รบตกมือกับต่างชาติตอนนี้ไม่สู่ตบต่างชาติและคนไทยก็สู้กันเองนะตั้งแต่อนุบาลก็ใส่วิชาการใส่วิชาการให้มันเก่งๆคุณธรรมที่เขามีอยู่แล้วตามธรรมชาติเนี่ยถูกครอบงําด้วยเอาวิชาคือความรู้ผิดตรงนี้หมดเห็นไหมเขามีธรรมของเขาอยู่แล้ว ตามธรรมชาติแต่เราก็ไปใส่ไอ้ความรู้ซึ่งเป็นวิชาการเพื่อเอาไปเป็นเครื่องมือในการต่อสู้เราต้องดูว่าวัยไหนควรจะทำอะไรเห็นไหมคนโบราณไม่หรอกวัยแค่นี้เนี่ยเขาห่อไว้ก่อนที่นี่เราห่อเอาผ้าเหลืองห่อไว้เอาผ้าขาวห่อไว้นะเอออยู่ในวัยที่เขากำลังเตรียมร่างกายจิตใจแล้วก็อารมณ์นะให้ใหให้ครเขาพร้อม เพราะคุณรมจริงๆแล้วก็มีอยู่แล้วแค่อย่าเอาความรู้ผิดนี่ไปใส่ให้เขานะแล้วพอเริ่มโตขึ้นเริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวเห็นไหมอย่างเน้เนี่ยพอบวชไปปุ๊บถึงยี่สิบบางทีก็สึกมาก่อนนะเออแต่ว่าพอถึงยี่สิบกว่ากว่าฮอร์โมนเพศกำลังเปลี่ยนละ เ, เ, เขาเรียกว่าเข้าเข้าเบนจเพศนะ ไปถามหมอดูที่เขาดูดวงนะที่เขาดูดวงอะไรเนี่ยเขาเขาเอาจากประสบการณ์เนี่ยหลายยุคหลายสมัยเนี่ยเป็นประสบการณ์วัยขนาดนี้เนี่ยอารมณ์มันแรงนะมันเกิดอุบัติเหตุได้มากนะมะขี่มอเตอร์ไซค์ก็สิ่งขี่รถก็ขับเร็วๆไม่พอใจก็โมโหไล่ตีกันฆ่ากันเขาก็เลยเอาผ้าเหลืองคออีกบวชเป็นพระภิกษุแล้วบวชแล้วก็เรียนด้วยนะนะเพราะว่า บางทีเด็กวัยขนาดนี้เขาคุมตัวเองไม่ได้แต่ตอนนี้พ่อแม่นี่ส่งไปให้อายสังคมทุนนิยมวัตถุนิยมเขาคุมให้เรามันก็เสร็จสี่นะเขามีเขามีธรรมของเขาอยู่แล้วแต่เราส่งให้เขาเนี่ยไปถูกระบายสีนะจนธรรมมันเปื่อยเปื่อ น, นจนมองไม่เห็นนะก็เด็กก็คือเด็ก เขายังพึ่งตนเองไม่ได้เขายังแยกแยะถูกผิดไม่ได้ผู้ใหญ่ต้องสร้างสังคมที่ปลอดภัยให้เขาตีกรอบไม่ใช่จับเขาไปขังคุกนะไม่ใช่ไปตีเขาไปลงโทยเขาแบบนั้นตีกรอบให้เขาอยู่ในธรรนองรองธรรมที่ควรจะเป็นตามวัยตอนนี้เราไม่ตีกรอบเราปล่อยให้ทุนนิยมตีกรอบลูกหลานเราเราส่งให้เขาไประบายสีเห็นไมเจ็ดขวบ ตั้งท้องแปดขวเป็นคุณแม่และนะก็เมื่อเรารู้ว่าสังคมเป็นแบบนี้เราเราต้องช่วยกันระวังนะยุคนี้เนี่ยแต่ทีนี้ยุกสมัยมันเปลี่ยนพระเจ้าก็บอกว่าคนมีปัญญาเนี่ยต้องรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยพระ อ, องค์สอนให้เราว่าต้องรู้เท่าทันเหตุปัจจัยนะก็โลกมันเปลี่ยนเราชอบไม่ชอบก็ช่าง ก็มันเปลี่ยนแล้วนะแล้วจะคุมถุงชนเอาลูกหลานเราเนี่ยถึงจะห่อไว้ก็ช่างแล้วก็ปิดหูปิดตาเขาเหมือนเก่าก็ไม่ได้นะเพราะกรูนนกำหนบไปเมื่อกี้นี่การเรียนรู้ศาสนาอย่างเดียวการเรียนรู้ศาสนาอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกหรือให้รู้เท่าทันโลกจะทําให้ลูกหลานอยู่ในโลกร่วมสมัยนี้เนี่ยแบบขาดบิติ แบบขาดมิตินะต่อไปเนี่ยเขาจะโตขึ้นมิติการดํารงชีวิตทุกวันนี้การทํางานเห็นไหมมันแยกว่าเธออาชีพอะไรอาชีพอะไรอะไรและทุกอาชีพเนี่ยมันมาพื้นฐานจากการเรียนวิชาการเพื่อจะไปทําอาชีพนั้นถามว่าครูชอบไหมเพราะครูไม่ชอบเมื่อเช้าก็เพิ่งคุยกับญาติธรรมมาลาพราะครูกลับบ้านว่าเนี่ยแหละเคยคิดไหมเราเคยมานั่งคิดไหมว่าเอ๊ มนุษย์เราเป็นมนุษย์ทุบกระเสริฐเนี่ยทำไมพัฒนาจนวันนี้มาเป็นแบบนี้ลาไปทําไมลาไปกลับไปทํางานเธอต้องทํางานก่อนแต่ก่อนจะเธอทํางานเธอต้องเรียนรู้วิชาก่อนนะไม่มีปริญญาไม่มีวุฒิบัตรไม่มีวิชาแล้วเธอก็ทํางานแบบต่ําต้อยนะแล้วก็เวลาทํางานเนี่ยมันก็ให้เราแข่งขันอีกนะ สมัยพอกูอยู่บนตอนเด็กๆ เ, เพื่อนฝูงทำงานธนาคารนี่น ะ, ะทำงานปุ๊บจันถึงสุขไม่พอเสาร์อาทิตย์ก็ต้องเป็นหาเงินฝากนะเหมือนหมาไล่เนื้อถ้าไม่ทำความดีความชอบเนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นคันไม่ขึ้นเงินเดือน ก, ก็ถามว่าทำไมมนุษย์ผู้ประเสริฐเราเนี่ยพัฒนาไปพัฒนามาเนี่ยเราต้องมาใช้ชีวิตอยู่กับไอขบวนการแบบนี้ถามว่ามันอิสระห เรียนก็ไม่อิสระกระตุ้นให้แข่งขันจบออกมาแลวทำงานเนี่ยถ้าไปสมัครงา น, นดีๆไปสอบแข่งเงินเขากว่าจะได้ได้มาแล้วสบายไหมไม่ยังต้องแข่งขันนะเราไม่เป็นตัวของตัวเองเลยแล้วทำไมจำเป็นไหมที่มนุษย์ต้องใช้ชีวิตแบบนี้นะถ้าเป็นสมัยก่อนพวกครูสี่สิปีวิ่งไปตามมันบกจำเป็นถ้าเธอไม่ทาตามเขาเธอก็อยู่กับเขาไม่ได้ นะแต่พอเรามาพลิกกลับมาทางสายธรรมแล้วเนี่ยบอกไม่มีความจำเป็นแต่ไม่ใช่ทุกคนทำแบบนี้ได้ถ้าเกิดจิตเราไม่มีกำลังจริงๆเราจะหลุดออกจากบ่วงที่เขาครอบเราดักไว้ไม่ได้เกิดมามันก็ใส่โปรแกรมให้เราเป็นแบบนี้ไงเรียนเก่งๆนะลูกหาเงินเยอะๆเมื่อรวยแล้วจะมีความสุขเป็นชุดวิชาเลยนะนี่แหละก็มีคํานึงวา่าทุกวันนี้เราเน้นเรื่องวิทยาศาสตร์นะ เรียนวิทยาศาสตร์เรียนคณิตศาสตร์เพื่อคำนวณเก่งๆนะเพื่อไปสร้างเครื่องมือฟ้างอาวุธเพื่อจะชนะคนอื่นนะสร้างเทคโนโลยีเพื่อจะเร็วกว่าคนอื่นเอาเปรียบคนอื่ น, เ, เ, น, นเพื่อจะรวยกว่าคนอื่นนะแต่ความคิดแบบวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ผิดนะพราะพุทธองค์เองก็สอนแบบวิทยาศาสตร์พระ อ, องค์บอกอย่าพิ่งเชื่ออย่าพึ่งเชื่อตำราอย่าพิ่งเชื่อคำเล่าขานอย่าพิ่งเชื่อที่ทําตามๆกันมาอย่าพิ่งเชื่อคนที่พูดเป็นครูบาอาจารย์เราพระองค์ยิ่งกว่านักวิทยาศาสตร์ คือกระบวนการทวิทยาศาสตร์มันดีอยู่แล้วอย่าเพิ่งเชื่อแต่เป้าหมายของวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้เนี่ยมันถูกครอบงําด้วยทุนนิยมอันนี้มันไม่ดีนะวิธีการแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยถูกต้องแล้วไม่ได้เชื่อได้ง่ายต้องทดลองทดสอบก่อนแต่เป้าหมายมันผิดอ่ามันไปเรี้ยงเก่งๆเพื่อไปผิดอะไรเนี่ยเพื่อได้ผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อชนะคนอื่นคิดเฉยๆก็เป็นมโนกรรมล่ะ นะและชีวิตแบบนี้เนี่ยมันจะสงบเย็นไม่ได้นะก็ถ้าเราเน้นแต่พุทธวิวาศาสตร์อย่างเดียวขาดศ า, าสนาศาสนาทุกศาสนาสอนเรื่องจิตวิญญาณอยู่ที่ว่าเขาจะเน้นประเด็นไหนเท่านั้นเองนะบางศาสนาก็เน้นแบบอยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพนะอยู่เป็นสุขตามอัจภานะแต่พุทธศาสนาเน้นเรื่องนิพพานทุกสมมสรไทยไนิโรจมาก พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างอื่นเลยสอนให้รู้ว่าอะไรคือตัวทุกข์อะไรคือเหตุแห่งทุกข์อะไรคือความดับทุกข์อะไรคือหนทางไปสู่การพ้นทุกข์เพียงแต่ว่าขาบวนการที่เราไปถึงตรงนั้นนะ่พระองค์ก็พูดเรื่องธรรมะของผู้คลองเรือนพูดนะพูดแต่ไม่ได้ตายตัวว่าทุกคนต้องทำแบบนั้นนะเพราะว่าแต่โดยเฉพาะยุคนี้เนี่ยการดารงชีวิตมันมีหลายสาขาอาชีพนะบางคนทางานกลางคืนนอนกลางวันนะ เออบางคนวิชาชีพนี้ต้องต้องใช้สายตาเยอะบางคนเนี่ยออวิชานี้ต้องใช้มือเยอะอาชีพตรงนี้เยอะมันก็ไม่เหมือนกันนะก็ถ้าวิทยาศาสตร์ขาดาศาสนาหรือขาดเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยเหมือนคนแขนขาดขาขา ด, ขาดมันไม่ครบองค์แต่ไม่ได้หมายความว่าวิทยาศาสตร์ไม่ดีแต่ถ้ า, าศาสนาเนี่ยขาดวิทยาศาสตร์ก็เหมือนคนตาบอดนับถือแบบหลงงมงาย นะยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ไปต้านโลกนะาจะต้านยังไงช่างเราก็เปลี่ยนโลกไม่ได้นะศาสนาพุทธสอนให้เราเกิดปัญญารู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกนะรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงและเราต้องรู้ว่าในเวลานี้ในช่วงเวลานี้ความพอดีของเราอยู่ไหน ความพอดีของแต่ละคนของแต่ละสิ่งแวดลอ้อมของแต่ละยุคสมัยมันก็ไม่ตายตัวนะจิตซึ่งมีปัญญาเท่านั้นถึงจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยในเวลานี้เนี่ยทำแค่ไหนมันพอดีสำหรับชีวิตวิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์วิชานิดเดียวเองนิดเดียวจริงๆนะที่ไปนค้นพบความจริงในบางอย่างของธรรมชาติเท่านั้นเองแต่ขบวนการวิทยาศาสตร์ที่เขา ต้องทดลองทดสอบก่อนเนะี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่เป้าหมายเขาผิดนะค้นพบความจริงในบางอย่างแล้วก็เอาความจริงนั้นสมนักเรื่องพลังงานนะไปค้นพบพลังงานเจ้าพลังงานมาใช้ประโยชน์อะไรเพื่อฉันจะได้รวยขึ้นฉันจะได้มีอาวุธที่เก่งกว่าทำลายคู่ต่อสู้นะเป้าหมายมันผิดนะแต่ถ้าวิทยาศาสตร์ มาบวกกับศาสนาด้วยมาศึกษาจิตวิญญาณด้วยนะเราก็จะมีปัญญาควบคุมความรู้นั้นนะมาทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติการศึกษาทุกวันนี้มันล้มเหลวเราเน้นเรื่องความเก่งอัจฉยภาพทางด้านความรู้ความเก่งทางวิชาการเท่านั้นเองเราเราละเลยเรื่องอารมณ์เราละเลยเรื่องศีลธรรม เรื่องจิตวิญญาณนะมันก็เลยกลายเป็นการศึกษาหมาหางด้วนที่อาจารย์พุทธทาสบอกนะแล้วก็คนนับถือศาสนาแบบหลงงมงายหลับหูหลับตาศรัทธาอยู่ตรงนั้นแหละและปฏิเสธโลกนะคนพวกนี้ก็ไม่ต่างอะไรคนตาบอดนะนับถือแบบหลงงมงาย พระพุทธเจ้าสอนเรื่องสติปัฏฐานสีเนี่ยถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้แล้วเนี่ยอีกกี่ล้านปีข้างหน้าก็ไม่ทันก็ไม่ล้าสมัยมันจะทําให้เรามองเนี่ยทุกมุมไม่ใช่เอากายอย่างเดียวนะทุกวันนี้บางคนเอากายอย่างเดียวบางคนเอาจิตนะก็ฝึกจิตอย่างเดียวนะหลับหูหลับตาเรื่องจิตวิญ ญ, ญาณจะทรมานสังขารนะปฏิเสธโลกนะมันก็สุดต่งนะ ถ้าจิตเราเข้าถึงมหาสติปัฏฐานเนี่ยเราจะมีนิสัยใหม่เราจะมองอะไรแบบไม่แยกส่วนมันเชื่อมโยงทั้งรูปทั้งนามเนี่ยมันมันอยู่ด้วยกันมันถ้าแยกมันเมื่อไหร่สะว่าไอ้ไอนามเนี่ยจิตวิ ญ, ญญาณเราแยกจากร่างกายมันก็ตายแล้วแต่ถ้าจิตวิ ญ, ญญาณเหมือนเทวดาเนี่ยไม่มีกายเนี่ยมันก็จเจริญ ม, มหาสติปัฏฐานไม่ได้เห็นไหมหลายปีก่อน พวกคูทำกเกษตรเพื่อชีวิตเมื่อ27ปีก่อนตั้งแต่ปีส2 3สสน ะ, กะเกษตรผู้ชีวิตดังมากทุกโทรทัศน์ทุกช่องก็ามานังสือพิมพ์ลงนะหน่วยงานก็กเอากเกษตรกรมาดูงานไล่แหลมทองมาที่ไล่แหลมทองมากี่ร้อยคนบอกล่วงหน้าเลี้ยงข้าวฟรีนะเข้ามาทำไมเขามาเล่น เขามาดูงาน <S <S เขามาดูเฉยๆนะเมื่อม่วงมันกําลังออกลูกสวยๆเนี่ยนะยังไม่แก่เลยมันก็มาเด็ดเด็ดเดเด็ดจริงนะไม่ใช่คนยากคนจนนะมีเที่ยวน ห, ย ห, หนึ่งหมาเวลาแห่งหนึ่งในอีสานเราละ่ะนะสามปีเข้ามาที่ไลนะ่เนี่ยก่อนจะจบปริญญาโทต้องมาที่ไล่นะมาฟังพ่อครูบรรยายปีนั้นเขานัดเราเที่ยงจะมากินข้าวที่นี่ คูโก้สมัยก่อนก็เป็นเด็กอยู่ในไร่นั่นแหละนะพวกเราช่วยกันปลูกช่วยกันสร้างนะเราทาอาหารรอเลี้ยงเขาฟรีกว่าจะมาตีเอบ่ายสองครึ่งได้ยินว่าไปแวะเที่ยวช่องเมกแล้วเขามาถึงก็บน่นด้วยไกลจังเลยอะไรถนนก็ไม่ดีน ะ, ะเด็กๆมันยืนรออาหารเนี่ยก็ปัดมาแรงอย่างนั้นมันไม่เคยบ่นเลยนะว่ามาสายนะแต่คนมาสายมาบน่นะนักวิชาการนะ ไม่ใช่พูดกับใครนะพวกเราคนจนนี่ไปติดต่อหน่วยงานเนี่ยถ้ามันนัดแต่ไปสายหน่อยโดนด่านะแต่ถ้าเราไปนั่งรอเขามาสายหน่อยเขาไม่เป็นไรนะนะตอนนี้มันเป็นอย่างนี้แหลนะนะก็เราเรียนจะให้เก่งเพื่อเอาความเก่งนั้นเนี่ยเอาเปรียบคนอื่นอ่คนดีทำอะไรก็ดีทำอะไรดีหมดแต่คนเก่งทำอะไรก็เก่งทำชั่วก็เก่ง เข้าใจไหมถ้าคนไม่เก่งเนี่ยมันคอร์รัปชันไม่เป็นหรอกมันทําไม่เป็นมันอ่านหนังสือก็ไม่ออกเด้วมันจะปองแปลงเอกสารได้ยังไงนะตอนนี้เราเน้นแค่เก่งจริงๆแล้วมันไม่ได้เก่งถ้าบอกพวกคุณไม่เก่งมันโง่นะคนเก่งจริงๆเนี่ยเขาต้องไม่ทําตัวเอาเปรียบคนอื่นนะเขาต้องไม่สร้างกรรมเขาต้องสามารถบริหารชีวิตตัวเองให้พ้นทุกได้นั่นสุดยอดของความเก่งนะ ก็วิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นตัวเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนจากสิ่งแวดล้อมดีๆจนมันพังทลายหมดนะแต่จิตวิญญาณเนี่ยเปลี่ยนชีวิตจิตวิญญาณเปลี่ยนชีวิตแต่ชีวิตนี้ต้องอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นแล้วจะหลับหูหลับตาปลดปล่อยตัวเองแล้วก็ฉันไม่ยุ่งกับสังคมเลยเนี่ยตอนนี้ไม่มีป่าให้อยู่แล้วนะ ป่าไหนเนี่ยไอ้คลืนไร่สายเนี่ยมันก็เข้าไปได้ฮลัฮลโหลฮัลโหลฮัลโหลนะเขาโทด่ากันอยู่อย่างงี้นะเราหายใจเอาขึ้นมันเข้าไปมันมีผลสำหรับเราเลยนะมันไม่มีป่าอยู่แล้วทีนี้ถ้าเราไม่สนใจสิ่งแวดล้อมไม่สนใจโลกด้วยเนี่ยนะมันมันไม่ครบองค์นะเอาเป็นว่าเราฝึก จิตวิญญาณก็ดีแล้วนะเราฝึกจิตก็ดีแล้วแต่เราทิ้งกายไม่ได้ฝึกจิตอย่างเดียวทรมานสังขารมันไม่ใช่ความเปลี่ยนชอบสังขารร่างกายแข็งแรงอย่างเดียวเพื่อจะไปแข่งเพื่อจะเอาชนะเป็นนักกีลาทีมชาตินะแต่จิตวิญญาณเนี่ยเล่าร้อนแพ้มาก็ฆ่าตัวตายเห็นไหมมองแบบแยกส่วนนะหลายปีก่อนนักวิการเกษตรก็มาที่นี่แหละ มาขอใช้ศาลาหลังก่องเราสมัยก่อนนะมุงด้วยย่านะนะก็พื้นเราแบบนี้เขาเป็นนะตั้งแต่ทําตั้งแต่27ปีก่อนนะเป็นศาลาแรกของโลกเนะี่ยที่ปูแบบนี้ข้างล่างเป็นทายเขาเอาเกษตรกรมาที่นี่ตอนนั้นเขามาอบรมโครงการเขาเรียกว่าเกษตรยั่งยืน มาหลายครัง้งแต่ละครั้งมามันก็เปลี่ยนชื่อใหม่นะพวกกูก็ก็พูดกับเขาว่าโครงการมันก็ไม่ยั่งยืนอยู่แล้วเนี่ยแล้วุูจะทำให้เกษตรกรยั่งยืนได้ยังไงก็บอกพวกรูตอนนี้พวกผมเปลี่ยนแล้ว ก, วกระทรวงเกษตรเนี่ยร่วมมือกันทุกกรมสมัยก่อนมันแยกกันทำนะพวกกูก็ถามว่าไอโครงการนี้เกิดมาจากอะไรนิวซีแลนด์ให้เงินมาก้อนหนึ่ง เขามึนไม่ก้อนหนึ่งเนี่ยแล้วเขาใช้ข้าราชการเกษตรเราเนี่ยทั่วประเทศไม่ต้องจ้างเลยนะแล้วก็เอาเกษตรกรหนึ่งมาเป็นหนูหลงยาแล้วก็จริงๆนะพอใช้เงินหมดปุ๊บก็โงบผลงานไปให้เขาแล้วสุดท้ายเกษตรก ร, ศศ ก, รก็เป็นเหยื่อส่วนมากมาตายขั้นตอนสุดท้ายก็คือภาคการตลาดเขาไม่ได้สอนให้อยู่ให้กินทาอยู่ทากินทาทาน เหมือนในหลวงสอนเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงมันสอนให้ทำเพื่อขายวิธีนั้นวิธีนี้มันจะดีอย่างงี้นะมันไม่ยั่งยืนชื่อมันบอกยั่งยืนเฉยๆพอโครงการนี้นิวซีแลนด์เขาไม่ให้เงินมาโครงการนี้ก็ไม่ยั่งยืนแล้วไงแต่เกษตรก ร, เ, ร, กรเป็นเหยื่อแล้วนะทีนี้พอกูก็ถามเข า, เอาบอกอาจารย์ยกแก้วนี้สิ ยกสองนิ้วก็พอยกสองนิ้วก็พอเออยกสองนิ้วได้ใช่ไหมเออยกยกตัวดันีสองนิ้วยกได้ไหมบอกสองนิ้ยยกไม่ได้ถ้ามือมันไม่รวมมือร่วมมือกันเนี่ยนะมันยกไม่ขึ้นบางทียกมือเดียวไม่ขึ้นต้องสองอยู่มันหนักใช่ไหมบางทีสองมือก็ไม่ได้ต้องหลายๆมือช่วยกันใช่ไหมโอเคมือมันสามัคคีกันเอาทุกกรมกองสามัคคีกันเอาหนึ่งสองสามยกทีนี้ขามันไม่เอาด้วยนี่มันเดินได้ไหม ขามันไม่เดินด้วยเอาได้ไหมกรมนี้มาส่งเสริมให้เขาปลูกหญ้าอีกกรมนึงมาสอนให้เขาเรียนมาบังเอิญไอ้พันธุ์หญ้าที่มันมาปลูกมันไม่เหมาะสมกับไอ้ไอ้มาพั น, นุนี้เนี่ยต่างคนต่างทําไงเพรกครูบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่รวมกันทุกกรมทุกกระทรวงต้องร่วมกันทุกคนต้องมีนี่มองเป้าเดียวกันไม่งั้นเกษตรก ร, ร, ก, รก็เป็นหนูรองยานะพราะครูเพงบอกไง ไม่ใช่เรื่องถูกเรื่องผิด น, นะมันเป็นไปตามกรรมเพราะเราคิดแบบแยกส่วนผูกจิตก็คิดแบบแยกส่วนคนนี้เอาฐานกายคนนี้มองเพ่งเวทนาคนนี้ไปดูจิตเรามองแบบแยกส่วนหมดเลยธรรมชาติมันไม่ได้แยกส่วนมันบูรณาการมันเป็นองครวมนะร่างกายเราเนี่ย มีทั้งรูปกับนามวิทยาศาสตร์เอารูปธปรรมอย่างเดียวถ้าช่วงท่งนรวงวัดไม่ได้ปฏิเสธไม่เอามันมันแล้วมันจะแก้ปัญหาชีวิตเราได้ยังไงนี่แหะการศึกษาทุกวันนี้เป็นการศึกษาหมหาหางด้วนมันไม่ครบองนะแต่ถ้าเราปฏิบัติจนทำมหาสติปัฏฐานเกิดได้เนี่ยจิตมันจะฉลาดมันจะรู้นะต้องรวมกันหมด สฐานนี้ต้องรวมกันนะก็นั่นแหละคำถามแรกทำไมพูดยาวขนาดนี้เนาะเพราะว่ามีเด็กๆนั่งอยู่คำว่าลูกนี่ยิ่งใหญ่มากคำว่าลูกลูกลูกนะเมื่อเมื่อหลายเดือนก่อนไม่ชีแพ็คเก็บไม่ชีแอมก็มาเล่าให้คุูภูฟังไปตรวจตาอยู่ที่เมืองอุบล น, นะก็ไปนั่งรอณว่าอย มีคุณยายคนหนึ่งเดินมาคุยเขาคงเห็นสองคนเราก็คิดถึงลูกเขานั่นแหละเนาะเห็นบอกมีลูกห้าคนเขาบอกเขาเลี้ยงอย่างดีเลยนะมันเรียนจบไปแล้วนะสี่คนเหลือคนสุดท้ายนะวันนั้นไม่มีสตังค์ค่าเทอมลูกไงก็ไปหาลูกสี่คนไม่มีใครช่วยเลยวันนี้เขาออกมาเขาคิดว่าเอารถเนี่ยทะเบียนรถจะมากู้เงินไปนั่งร้องไห้กับไม่ชีน้อยเรา แม่คนหนึ่งเลี้ยงลูกห้าคนได้แต่ลูกห้าคนเลี้ยงแม่ไม่ได้ไงเนี่ยไอการศึกษาแบบนี้ไงมันเรียนเพื่อมันจะทิ้งแม่ไงเห็นไหมมันเรียนแค่มันเก่งมันก็เก่งกับพี่กับน้องเก่งกับแม่ด้วยเนะเรื่องนี้จริงๆแล้วนี่สามสี่สิบปีก่อนไต้หวันก็มีเรื่องพวกนี้นะแม่ส่งลูกจนเรียนจนจบเมืองนอกยูเมกาหมดเลยนะเพราะกูจาไม่ได้ก็สี่ห้าคนเหมือนกันแหละ พอแม่แก่แล้วนี่อยู่ไต้หวันคนเดียวนะก็บินไปเยี่ยมลูกไปเยี่ยมลูกคนนี้ว่าเออดีใจวันหนึ่งบอกแม่แม่ไปเยี่ยมพี่วันนั้นหรือยังคนนี้ก็ไล่ไปคนนั้นคนนั้นก็ไล่กคนนั้นไล่หมดเลยแม่ก็ต้องกลับไต้หวันนะแล้วเขาก็เขียนหนังสือเล่มหนึ่งออกมาเนี่ยแล้วสุดท้ายเขาก็ฆ่าตัวตายเนี่ยการศึกษาไงเห็นไหมก็เราสอนให้ลูกเก่งเขาก็ต้องเก่งสิ เขาก็เก่งกับพี่กับน้องเก่งกับพ่อกับแม่ไงเราไม่ได้สอนให้เขาดีไงนะคุณคือสิ่งที่คุณทำเราทำอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นนะถึงว่าเด็กๆอย่าพึ่งใจร้อนลูกอดปเปรี้ยวกินหวานเรื่องวิชาการเรื่องเล็กจิ๊บจ้อยกับตอนนี้ถ้าไปเรียนหนังสือแค่ไปท่องจำความรู้ของคนอื่นเนี่ยไม่ต้องทำนะลูกเรากดอินเทอร์เน็ตทีเดียวเรารู้ทั้งโลกเลย ตอนนี้ต้องสอนเด็กๆ เ, เนี่ยรู้จักฝ่ายเรียนรู้ไม่ใช่ให้มันมีความรู้ความรู้มันหาง่ายแล้วไปหลงความรู้ไปท่องจำความรู้คนอื่นเนี่ยกลายเป็นอัตตาขึ้นมาสิ่งกั้นบังวิสัยทัศน์คืออัตตาอัตตาเกิดขึ้นจากความรู้ซึ่งขาดปัญญาความรู้ซึ่งขาดปัญญาเกิดขึ้นจากการท่องจำเรียนแบบเข้ามา ความรู้ซึ่งมีปัญญาต้องเกิดจากการเห็นแจ้งของเราเองผู้รู้เจ้าชี้ทางให้เราอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะเอาจริงไหมถ้าจิตมันมีศินสมาธิปัญญาแล้วเนี่ยมันจําเป็นต้องไปรู้เรื่องอะไรมันก็ก ด, ก ด, ก ด, ก ด, กดข้อมูลมันก็ออกมาหมดแล้วทำไมต้องไปเรียนหนังสือบา้บาๆบอๆไปท่องจําแล้วก็มาเร์เมินความจํากันนะมันผิดผู้ใหญ่เราสร้างสังคมเร็วๆให้เด็กอยู่ นะก็คาถามต่อไปปฏิบ <ah <ram treating eds> ัติแล้วเริ่มเบื่อเบื่อสังคมไม่อยากเด่นดังหรือแต่งตัวความเบื่อหน่ายหรือความก้าวหน้านะคำถามคือปฏิบัติแล้วเริ่มเบื่อเบื่อสังคมไม่อยากเด่นดังหรือแต่งตัวเป็นความเบื่อหน่ายหรือความก้าวหน้านะ ความเบื่อหน่ายนั่นคือความก้าวหน้านมันไม่ใช่เป็นเบื่อหน่ายหรือก้าวหน้ามันเป็นทั้งสองความเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันคือความก้าวหน้าของจิตมันเป็นนิิพาลมมันคือผลของการเจริญวิปัสสนาถ้าปฏิบัติแล้วปฏิบัติแล้วไม่เบื่อเนะ่ยอูยิ่งชอบสิ่งสวยขวบสวยเก่าๆนะแซบ่บแบอร่อยขวเก่าอันนั้นแสดงว่าถอยหลัง ถ้าในทางจิตวิญญาณเนี่ยความเบื่อหน่ายเนี่ยคือความก้าวหน้ามันคือผลที่เราปฏิบัตินั่นแหละถ้าปฏิบัติแล้วยัง ส, สวยๆกเก่ายังต้องการสวยๆกเก่าแซ่บแซ่บก่อเก่าไปเที่ยวสนุกก่ h, อเก่าอันนั้นถือว่าถอยหลังนะก็คําตอบง่ายๆมีอยู่ในตัวอยู่แล้วเนี่ยเพราะเขาถามวาม่ามันคือความเบื่อหน่ายหรือมันคือความก้าวหน้าคําตอบคือความเบื่อหน่ายนั้นคือความก้าวหน้า มันจะทําให้เราจางคลายความยึดมัน่นถือมัน่นความหลงของเรานะรักแบบไหนจึงจะไม่มีทุกข์รักแบบไหนจึงจะไม่มีทุกข์รักโลภโกรธหลงนะเป็นทุกข์นะถ้าจะไม่ให้รักมันทุกข์เนี่ยก็เปลี่ยนความรักให้กลายเป็นความเมตตา กรุณาโมทิตาอุบเบกขานะเปลี่ยนความรักให้กลายเป็นความเมตตาการุณามุทิตาอุบเบกขาคำว่ารักนี่มันแฝงด้วยความหลงรักเพราะฉันชอบเมื่อฉันเบื่อเมื่อไหร่ฉันก็ทิง้งหรือแม้เราเรารักเราไม่ทิ้งเลยเรากอดไว้เ น, นีน่น่แต่มีคนอื่นมาแย่งคนที่เรารักไปเนี่ยเราก็ทุกข์ใช่ไหม พอแย่งไปเนี่ยทุกนะไม่ใช่ไม่รักนะตอนนี้แค้นนี้ต้องชําระสิปียังไม่สายอันนี้รักมันแฝงด้วยความเห็นแก่ตัวเพราะรักรักเพราะเธอเป็นของฉันและเพราะฉันชอบแต่ถ้าความเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาแล้วนี่ไม่มีเงื่อนไขนะเมตตาหมดทุกคนไม่ใช่เมตตาเพราะฉันชอบนะถ้าไม่ชอบฉันก็ไม่เมตตา อันนั้นมันมีอามิตรนะถ้าเรามีพรมวิหารอยู่ในใจเราแล้วเนี่ยนะสมมติว่าเหมือนถูกชะตามันเป็นบุเพสนิวาสนะแต่ตอนนี้รักนี่มันไม่ใช่บุเพสนิวาสมันเกิดจากเราวิวอฟอรมณ์เมันเป็นบุเพอละวาดนะมันเป็นเรื่องของอารมณ์หลงนะและทีนี้เมื่อมันหายหลงแล้วมันเบื่อปุ๊บนึ่มันจะทิ้งกันนะ นะคําตอบไม่ง่ายก็คือรักแบบไหนจึงจะไม่มีทุกข์นะรักแบบพรมวิหารคือเปลี่ยนจากรักนี้ให้กลายเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาถ้าเป็นแบบนี้บางครั้งเนี่ยรักเพื่อนก็ดีนะรักคู่ชีวิตก็ดีภาษารักเนี่ยนะถ้ามันเป็นพรมวิหารแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยคนเราบางทีมันเผลอบางคนนเหนื่อยมากมีอารมณ์ขาดสติ นะเราก็ต้องรู้จักเมตตากรุณาแล้วก็อุเบกขานะถ้าเกิดว่าเราเราเมตตาเขาจริงๆแต่ถ้าเขารักเพื่อมันเบื่อเราเราก็เบื่อมันท้าทายกันไปไปอย่าร้างเลยเห็นไมเธอก็ทุกฉันก็ทุกนะแล้วไม่ใช่เราทุกสองคนนะเราก็ทําให้ลูกเต้าที่เราสร้างมันขึ้นมาก็ทุกข์ด้วยมันเป็นกรรมล่วงมนาะยาวเลยตอนนี้นะเขาถึงบอกว่ารัก โลภโกฎหลงมันเป็นทุกข์นะแต่หลังบางศาสนาเขาก็เน้นเรื่องความรักนะต้องรักเนี่ยมันถึงดีนะมีคนถามพ่อกัว่ารักกันทำไมไม่ดีพ่อกัว่าคุณรักแฟนคุณไม่รักสิวันไหนที่แฟนคุณถูกเขาแย่งไปยังรักอยู่หรือเปล่าว่าไม่ใช่ไม่รักไม่พอนะแค่นี้ต้องชำระสิปียังไม่ยังไม่สายถ้าคุณความรักของคุณมันมีเมตตาจริงๆเนี่ยนะถ้าบังเอิญว่า มีคนเอาไปแล้วเขาเขามีความสุขไปเนี่ย ค, คุณต้องอนุโมทนาสาธุกับเขานะถ้าคุณเมตตคุณรักเขาโดยคุณมีพร ม, มิหารกับเขาจริง จ, งจงิเมื่อเขาพอใจเขาไม่มีความสุขแนละ้วคุณต้องอนุโมทนาสาธุกับเขานะอันนี้รักมันแฝงด้วยความหลงแฝงด้วยความเห็นแก่ตัวนะเคยทําเรื่องไม่ดี รู้สึกผิดอยู่ในใจควรทำอย่างไรข้อแรกคือควรทำใจนะแต่ถ้าคุณไม่ฝึกจิตเนี่ยคุณจะทำใจไม่ได้มันจะหลอกหลอนคุณไปตลอดเวลาแต่คนรู้สึกรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกผิดในใจเนี่ยอันนี้เป็นฮิริโอต ป, ปะมันเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วมันจะเป็นตอกย้ำว่าเราจะไม่ทำผิดอีกนะแล้วก็ มีวิธีเดียวมีวิธีเดียวไม่ใช่ปล่อยนกปล่อยกานะอันนั้นก็เป็นแค่อุบายวิธีเพื่อกบเกื่อนความทุกข์เราท่านเองนะก็คือทำดีละชั่วขัดเกลาจิตให้ผ่องใสที่มันไม่ผ่องใสเพราะมันมีอารมณ์เหล่านี้หละมันฝังลึกบางทีไม่ใช่เรื่องชาติเดียวมันสะสมมาหลายชาติแล้วเรากำลังทำอยู่นะแต่คนรู้ว่าตัวเองทำผิดเนี่ยเรารู้สึก เสียใจกับสิ่งที่เราทำมีบางศาสนาแนละ้ววันาทิตย์นี่เาก็เข้าไปในโบสวิหารเนี่ยก็ไปสารภาพบาปนะอันนั้นก็ได้ได้ระบายนะแต่เราหนีกรรมได้ไหมสัญญาบันทึกไว้อยู่นั้นไม่ได้อ่าเหมือนเราไปทำบุญปล่อยนกปล่อยกาสบายใจแต่กรรมมันหนีไหมไม่มันยังฝังอยู่ในนั้นนะเออ นอกจากทำบุญทำทำดีแล้วเนี่ยเพื่อเพื่อเพื่อเสริมพลังเราเนี่ยต้องขัดเกาจิตให้ผ่องใสนะไม่ใช่พูดปลอดใจตัวเองนะั่นปลอบใจก็เหมือนยาพารานะปล่อยนกปล่อยกาก็เหมือนยาพาราทำให้เราสบายใจเฉยแต่โปรแกรมกรรมมันยังอยู่สัญญามันยังอยู่ผู้เจ้าทึงบอกให้เราต้องขัดเกาจิตให้ผ่องใสนะเรากำลังทำอยู่นะแต่ทไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ ทำทำแล้วก็หยุดหยุดถ้าไม่มีบัญญัติศีลเป็นข้อข้อถ้าไม่มีบัญญัติศีลเป็นข้อข้อการดื่มเหล้าจะผิดศีลหรือเปล่านะถ้าเป็นศีลเป็นข้อข้อซึ่งมันเป็นวินัยแล้วเนี่ยนะถ้าเราไม่มีไม่บัญญัติมันเนี่ยเราก็ไม่ผิดศีลเรื่องวิ น, นัยแต่เราผิด ความเป็นปกติของธรรมชาติเพราะปกติมนุษย์เราไม่ต้องกินเหล้าก็ได้เพราะมันไม่มีประโยชน์สำหับตัวเราเลยเราไม่เปิดสินเราไม่ผิดศีลนในตัวหนังสือถ้ามันไม่บัญญัติแต่ตัวศีลซึ่งเป็นปกตินั้นแหะเราปผิดศิลถึงความเป็นปกติมันมันเป็นเราผิดความเป็นธรรมดาความความเป็นมนุษย์เพราะว่า เครื่องดองของเมาหรือว่าพวกนี้มันจะทําให้เราขาดสติแล้วถ้าเราดื่มไม่ไม่ระวังนะมันจะทําลายร่างกายเราเป็นการเบียดเบียนตัวเองนะมันผิดธรรมชาติมันก็ไม่ผิดศินตามที่เขาไม่บัญญัติที่เราผิดกฎหมายเพราะเขาบัญญัติกฎหมายกฎหมายบางอย่างคนไทยบอกว่าผิดแต่เมืองนอกเขาบอกว่าถูกเห็นไหมศาสนาเรา มีผัวเดียวเมียเดียวอย่างงี้นะถ้ามีสองปุ๊บเป็นชู้เนี่ยบางทีจะผิดแต่บางศาสนาเขามีภรยาได้ห้าคนนะเพียงแต่ว่าไอ้กติกาเหล่านี้บัญญัติเมื่อเพราะแต่และสังคมไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราพร้อมมาอยู่ในสังคมนี้ตกลงกันแล้วถ้าเราผิดข้อตกลงเนี่ยเราเป็นคนไม่มีศัจจา นะเหมือนแม่ชีน้อยหรือว่าเนนเนี่ยเรามาบวชกันเนี่ยโอเคเราภาวนาบวชโ ด, ดยเฉพาะยิ่งใหญ่มากนะเราก็บวชถวายเป็นราชกุศลองค์ในหลวงเรากับราชนินีเราเนี่ยนะเราก็ถือโอกาสเนี่ยนะขัดเกลาตัวเองด้วยมาเรียนรู้เรื่องศีลเรื่องธรรมนะส่วนศีลเป็นตัวหนังสือเนี่ยเป็นการบัญญัติขึ้นมาเพื่อเป็นการเตือนสติในการอยู่ร่วมกัน เพราะเรายังเข้าไม่ถึงศิลปกติของมันแต่ถ้าเราเข้าถึงสินปกติแล้วเนี่ยนะก็ไม่ต้องเราไม่ทําผิดบัญญัติแน่นอนไอ้ทําผิดศินมาแต่บางครั้งถ้าเราทําไปเหมือนเราผิดศินเนี่ยเราไม่เจตนาแน่ๆนะพ่อครูบางทีก็ผิดกฎหมายบ้านเมืองนะเคยอบรมเจ้าหน้าที่ตํารวจพ่อครูไม่ได้ยึกดกฎกฎหมายบ้านเมืองเป็นที่ตั้งนะพราครูยึกดกฎแห่งกรรม แต่ว่าถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ละเลยทำไมพูดอย่างนี้พวกครูมาใหม่ๆที่นี่ไม่มีไฟฟ้า่ะในหมู่บ้านทั้งหมดมีรถขอคูคันเดียวนะใครไม่สบายตีสองที่สางไปปุกพรกคูนั่นแหละนะพรกคูก็ขับรถส่งไปโรงพยาบาล น, นะพวกคูขับผิดกฎจราจรพวกคูขับไปเกินมันพรกคูยอมผิดกฎหมายเพื่อช่วยเหลือชีวิต บางเอื่อถ้าตำรวจจับได้ปุ๊บบอกว่าผิดเออยอมรับผิดแล้วก็เสียค่าปรับเราก็ไม่ได้ผิดกฎหมายนะกฎหมายบอกว่าถ้าเธอผิด้เธอเสียค่าปรับเราก็ยอมเสียค่าปรับนะบางครั้งเรายอมผิดสมมุติบัญญัติตรงนั้นน่ะเพื่อช่วยเหลือชีวิตแต่เราต้องไม่มีเจตนาเพื่อจะตั้งใจไปผิดกฎหมายแล้วคนในสังคมเขาก็ไม่ชอบเรานะ อันนี้ก็นั่นแหละถ้าไม่บัญญัติมันก็ไม่ผิดผิดถ้าไม่มีกฎหมายก็ไม่มีใครผิดกฎหมายสินนี้ก็เหมือนกันคําถามว่าเนี่ยถ้าไม่บัญญัติสินเป็นตัวหนังสือแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ไม่ผิดไม่ไปผิดศินตามข้อบัญญัติแต่เราจะผิดสินตามธรรมชาติผิดความเป็นปกติเพราะเราไปทําในสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราเราเบียดเบียนตัวเองนะผมว่ากูคุยกูมาใหม่ๆคนที่นี่ว่าเฮ้ยกูกินเหล้ากูไม่ได้เอาเงินใคร นะไม่ได้เบียเดเบียนใครนะเรื่องของกนะูเขากำลังเบียเดเบียนตัวเองอยู่เขาไม่รู้นะนะเขาเขาผิดความปกติเขาทำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเขาศีลนะคือความปกติคือธรรมดานะแต่เขาทำลายความเป็นธรรมดานั้นเพราะเขาสู้ความอยากไม่ได้เขาอยู่ภายใต้อ่ ิเลสตัณหาทีนี้คําถามต่อไปนะรักตัวเองกับเห็นแก่ตัวเหมือนกันหรือไม่ก็คําว่ารักตัวเองคือรักตัวเองคําว่าเห็นแก่ตัวคือเห็นแก่ตัวมันจะเหมือนกันได้ยังไงเขียนก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเข้า <c oughs> ไหอันนี้พวกผูู้เข้าใจนะ ก็รักตัวเองดูแลตัวเองรักษาตัวเองคือหน้าที่มันเป็นสัญญาทยานอันนี้สัตว์มันก็ทำอย่างนั้นนะไม่เบียดเบียนใครมันเป็นหน้าที่เราต้องมีหน้าที่ดูแลตัวเองเพียงแต่ว่าคำว่ารักนเนี่ยพราคูบอกแล้วมันมินเมยมากนะเพราะภาษาคำว่ารักเนี่ย คนเรารักกันก็คุยกับฝรั่งคนหนึ่งมาคุยกับว่าคูเนี่ยภาษาอังกฤษบอก make love การร่วมเพศมันเรียก ว, ว่ารักทุกคนก็เข้าใจว่ารักก็คือเป็นแบบนั้นนะมันก็เลยถูกดึงไปมันหมินเมย์มากทีนี้คําว่ารักตัวเองเหมือนว่าเราดูแลตัวเองเรารักษาตัวเองเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่เรานะส่วน เบียดเบียนคนอื่นลังแกคนอื่นเพื่อเอาตัวรอดนี่คือเห็นแก่ตัวนะคือคนอื่นชั่งหัวมันเดือดร้อนไปเลยแต่ว่าฉันเอาตัวรอดนี่คือคนเห็นแก่ตัวมันไม่เหมือนกันนะนะถึงว่ามันตัวหนังสือก็ไม่เหมือนกันแล้วนัยยะมันก็ไม่เหมือนกันคนเอาเปรียบคนอื่นไม่ยอมแบ่งแบ่งปันนะ ชอบเอาเปรียบคนอื่นแล้วก็ไม่ยอมแบ่งปันอันนี้ไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวอันนี้คือคนโง่คนโง่พลาดโอกาสในการสร้างทานบร ม, มีอันนี้ก็ตายเปล่าอันนี้คือคนโง่นะก็เราสอนเด็กๆสอนให้เขารู้เท่าทันโลก อยู่กับโลกให้ได้อย่าไปสอนให้เขาตามโลกตามไปว่าไม่ทัน follow is mean b e h i n d ตามแปว่าทาตแต่การศึกษาทุกวันนี้เขาสอนให้ลูกหลานเราเนี่ยไปตามโลกสอนให้เราเป็นไทยอยู่ดีดีเนี่ยกลายเป็นทาตแต่พวกครูไม่มีกำลังพอที่จะไปเปลี่ยน ความคิดแบบนี้ความคิดแบบนี้มันครอบงำไปทั้งโลกแล้วเพราะเขาต้องการครองโลกนะเขาต้องการให้ทุกคนอยู่ภายใต้โปรแกรมที่เขาวางไว้นะถ้าเราไม่ฝึกจิตวิญญาณเนี่ยเราไม่สามารถคิดนอกกรอบที่ถูกสังคมตั้งแต่เราเกิดมาเขาใส่โปรแกรมให้เรามาตั้งแต่เด็กจนโตนะทุกคนก็อยู่ในบ่วงตรงนั้นแต่ พูดให้รู้เฉยๆเราอย่าไปคิดที่จะเปลี่ยนมันเปลี่ยนไม่ได้แต่ทุกคนต้องเปลี่ยนตัวเองได้เปลี่ยนครอบครัวตัวเองได้ท่านในแง่สิทธิก็เป็นสิทธิของเราในชีวิตของเราไงเวลาเราปวดท้องเนี่ยใครปวดแทนเราก็ไม่ได้เห็นไหมแต่ถ้าเราไม่มีกําลังจิตพอเนี่ยเราก็ไม่กล้าเปลี่ยนลูกเราไปโรงเรียนลูกคนอื่นไปอย่างนั้นหมดแล้วไงแล้วก็กลัวลูกจะเราจะไม่เหมือนเขาแล้วก็ส่งลูก เราให้ไปตามเขากลกัวลูกเราว่าจะไม่ทันโลกแล้วก็ส่งลูกเราไปตามโลกตามไปว่าไม่ทันนะก็วันนี้ก็เป็นขานผามนี้ดีแล้วเพราะเรามีเด็กๆ เ, เยอะนะให้เด็กๆฟังแล้วเข้าใจนะลูกอดเปรี้ยวกินหวานนะแน่นอนเด็กๆ เ, เ, เขามองไปสังคมโดยเฉพาะเ้ามีโซเชียลมีเดียนะ เด็กคนอื่นเขามีอิสระทำตามใจตัวเองได้เรามองเพ่นเผินในลูกเหมือนเขามีความสุขดีแต่เราเจาะลึกเข้าไปในครอบครัวเนี่ยเขาทุกข์มากน ะ, นะไม่ปล่อยให้ลูกทำอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะลูกมันไม่พอใจนะแม่ก็กลัวลูกไม่พอใจแม่ก็เอาใจลูกให้ลูกพอใจแต่ลึกๆแม่ก็เป็นห่วงลูกอีกนะมันเป็นสังคมที่พ่อครูใช้คำว่า มนุษย์เราพัฒนาไปจนถึงวันนี้ได้ยังไงเห็นไหมเราไปลุ้นว่าเราสี่วิลัยมนุษยชาติเราเนี่ยเป็นเป็นสังคมสี่วิัยสําหรับพ่อครูไม่ได้มองอย่างนันนะถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์โลกที่พอศึกษาได้เนะี่ยยุคนี้เป็นยุคที่ตกต่ําที่สุดหลังจากมีมนุษย์เกิดขึ้นในโลกใบนี้ เออตกต่ําได้ยังไงมันจเจริญเหรอไม่มีไฟฟ้ามีเครื่องบินมีมือถือมีอะไรเนะี่ยมันจเจริญทางด้านวัตถุแต่ในทางจิตวิญญาณในแง่ชีวิตแล้วเนี่ยมนุษย์ตกต่ําที่สุดนะลูกข้าพ่อผัวข่าเมียไม่บ้ า, าก็กินยาให้มันบ้าฮะดิงมันทํำไหมดิงมันหายาบ้ามากินไหมมันไม่เอาอยู่แล้วมันไม่งงเหมือนมนุษย์ยงไง มนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐตอนนี้มันประเสริฐจริงไหมถ้าสี่วิลัยจริงๆนะต้องไม่มีคนล้นคุกล้นโรงพักต้องไม่มีคนเต็มโรงพยาบาลมันเป็นยุคที่ตกต่ำที่สุดจะไปหลงว่าเราเก่งนะนะยิ่งพัฒนามาก็ยิ่งกลายเป็นว่าทำไมต้องใช้ชีวิตเราต้องลำบากขนาดนี้คนจนก็ลำบากเพราะอยากรวย คนรวยก็ลำบากเพราะอยากรักษาความรวยนั้นแล้วกลัวคนอื่นมาแซงอยากรวยมากขึ้นนะาในแง่ชีวิตแล้วเนี่ยเราตกต่ามากนะก็ที่นั่งอยู่ที่นี่นะบุญเก่าเราเยอะอยู่แล้วล่ะนะอย่าไปติดบ่วงเก็ดเล็กเกดน้อยวิธีปฏิบัติวิธีน่นวิธีนี่มันมันเป็นแค่อุบายวิธีนะ อย่าลืมเป้าหมายชีวิตเราเราเรามาทาเพื่ออะไรเราเสียเวลามาศึกษาเรื่องศาสนาทำไมเราเสียเวลามาพัฒนาจิตวิญญาณทำไมมันมีหลายเทคนิคมันมีหลายอุบายวิธีไม่งั้นมันไม่มีหลายศาสนานะแม้กระทั่งแต่ละศาสนาก็แยกหลายลทัทธินิกายนะเพราะคำว่าจริตมันไม่เหมือนกันบรารมีสร้างมาไม่เหมือนกันนั่นะแหละอย่าไปติดบ่วงเล็กๆน้อยๆ น, นะนะ เอาหลักใหญ่ๆแม้กระทั่งนั่งอยู่ที่นี่เห็นไหมช่วงเราปฏิบัติร่วมกันเนี่ยเดือดไปมองคนอื่นก็ไม่เหมือนกันสักคนหนึ่งแหล่ะไหมยอย่าไปว่าคนละค่ายคนละค่ายที่นี่ไม่มีค่ายนะแต่ว่าชี้ให้เห็นเนี่ยแค่เราไม่กี่คนเนี่ยช่วงปฏิบัติเด็กมันไม่เหมือนกันสักคนเลยเนี่ยแล้วเราเจะความรู้สึกเราไปบอกว่าไอ้ค่ายนั้นทําไมทําอย่างนี้ค่ายนี้นทําไม่งี้ทํำไมทําไม่เหมือนฉันแล้วก็โศนมากไปอ้างพระเจ้าหมดแหะใครก็อ้างพระเจ้าว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ ก็อ้างคําสอนเดียวกันแต่ว่าแตกเป็นหลายลัที่นิกายทําไมล่ะเพราะมันตีความไม่เหมือนกันไงนะทุกคนต่างมีทิฏฐิมรณะของตัวเองถ้าเกิดจิตไม่ทะลุ ป, ป้องจริงๆแล้วเนี่ยมันจะติดจริตของตัวเองแล้วเอาจริตตัวเองเป็นที่ตั้งนะก็ให้ทุกคนทําเหมือนตัวเองนะพวกคูบอกนะ27ปีมาอยู่ที่นี่พ่อคูไม่บางอาจใช้สมองโง่ๆของพ่อกูเนี่ย ปีนี้หกปีเรามาสอนจิตแม้แต่หนึ่งครั้งที่พูดพูดพูด พ, ดพดเนี่ยเอาประสบการณ์ทางโลกทางธรรมมาแบ่งกันแล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่าทุกคนจะเข้าใจเหมือนกันหมดนะได้ยินบางคนฟังได้ยินแล้วเข้าใจร้อตบางคนเข้าใจ80บางคนเข้าใจ50บางคนเข้าใจ30บางคนฟังแล้วติดลบด้วยมันก็เป็นเรื่องนานาจิตตังไงบางเอื่องพ่ะครูไม่หวังพราะครูจึงไม่ผิดหวัง เพราะกูไม่บางอาจเปรียบฝืนกดแห่งกรรมใครแต่พอกูก็ทําหน้าที่ไงทุกคนบอกมาที่นี่พื้นฐานก็ศรัทธาถึงมาถ้าพอ ก, กูไม่ทําหน้าที่พอกูก็เป็นคนแบบละเลยหน้าที่พอกูก็ทําหน้าที่แต่ทําหน้าที่โดยไม่คาดหวังนะพอ ก, กูแอบดูนะเด็กๆทุกคนพอ ก, กูแอบดูทุกวันนะแอบดูแอบดูใครเป็นยังไงพัฒนาการเป็นยังไงนะก็ส่วนใหญ่ก็ดีแล้ว อย่าประมาทนะมีเวลาวันหนึ่งมีเวลานาทีหนึ่งเตรียมความพร้อมทุกนาทีทุกลมหายใจเข้าออกอย่าประมาทอะไรจะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละนะถ้าพวกรุ่นโตๆเนี่ยเราเคยได้ยินพวกเล่นกล้องนะกล้องโกดักเห็นไหมฟิล์มโกดักเห็นไหมถ้าเกี่ยวกับเรื่องฟิล์มเรื่องกล้องแล้วสมัยก่อนเขาอันดับหนึ่งของโลกนะตอนนี้ล่มละลายแล้วไงเห็นไหม มันไม่เที่ยงทุกอย่างเปลี่ยนแปลงทุง อ, อย่าประมาทมีคู่หนึ่งมั่นกันแล้วพรุ่งนี้เจ้าจะแต่งงานนะเตรียมตัวตัดชุดปุ๊บคืนนั้นเจ้าบ่าอุบัติเหตุรถชนตายเห็นไหมเราอย่าประมาทนะทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะถ้าเราเตรียมความพร้อมแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดนะ คนตายก็มานั่งร้องไห้โศกเศร้าเสียใจจริงไหมถ้าเราไปงานศพนะโอ้ยร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้เสียใจปุกถ้าลรงศพมันเปิดขึ้นมาลุกขึ้นมาเลยอย่าวิ่งหนีนะ <c oughs> เอาก็ร้องไห้ปุ๊กเขาตื่นไม่ใช่เหรอ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> พอไปอยู่ป่าช้าไปฝังเราไม่กล้าไปหาคนที่เรารักไงเพิ่งร้องไห้ไง ทำไมกลัวเหรเห็น ไ, ไหมแก้งกลัวไหมแก้งเสียใจไหมนะคนเขาตายแล้วเนี่ยไม่ใช่ไปนั่งเสียใจต้องเฉลิมฉลองต้องเฉลิมฉลองนะอนะย่างพ่อครูยกตัวอย่างเนี่ยตอนนี้รุ่นแรกนะสิทธ์รุ่นแรกพ่อครูยี่สปีแล้วเนี่ยนะยีปีนะนะอมาม่าสีสมชัยตอนนี้ยีาสิบสปี มาเยี่ยมพ่อครูเป็นช่วงๆมาครั้งสุดท้ายนี่พ่อครกูก็ลองสอบอารมกันอาม่าหนังเหี่ยวหมดเลยอาม่าไม่รู้สึกทุกข์เลอบอกไม่ไม่ทุกข์แต่มาถามสาวๆที่นี่ว่าหน้าเธอเหี่ยวเลยรู้สึกยังไงเด้อจริงเหรอมไปดึงหน้าดึงตาไปผ่าตัดหไหมเพราะอามาแกยอมรับความแก่แล้วไงแกแก่มาหลายปีแล้ว ถ้าเราคิดว่าห0สิปีเกษียณเนี่ยแกแก่มากี่ปีแล้วจนอยุเก้าสบสองแต่วางได้แล้วไงแต่ก็บอกมีอย่างเดียวในแกเจ็บขาเจ็บมากๆชีวิตนี้ไม่เคยเจ็บขนาดนี้เลยบอกอาม่าไอ้แกนี่กับเจ็บนี้มันเหมือนกันเลยนะอาม่าก็ายอมรับมันเจ็บเหมือนอาม่ายอมรับแกเนี่ยอาม่าจะไปทุกกับมันทาไมแกยิ่งใหญ่แล้วนะพวกเราต้องต้องอย่าประมาทนะ เราไม่รู้จะอยู่ได้ถึง92หรือเปล่านะเราไม่รู้ว่าเราจะสัมผัสความแก่ไหมอาม่าเจอแก่แล้วตอนนี้เจอเจ็บแล้วเหลือด่านสุดท้ายถ้าอาม่าผ่านเจ็บได้นะวันที่อาม่าตายอาม่าจะยิ้มเลยนะนั่นแหละถ้าเรายอมรับความแก่แล้ ว, วไม่ทุกข์กับมันไงเอามัน92ไม่เห็นหนังมันเหีเห่ยวได้ยังไงมันก็คมันก็แก่ไง แล้วมันเจ็บมันก็ธรรมาดาเห็นไหมเห็นไหมอาม่าเกิดแล้วนะแล้วอาม่าแก่แล้วอาม่าริมลดความเจ็บแล้วเห็นไหมครบครบสูตรเลวนะถ้าม้าผ่านแก่ได้วันที่อาม่าอาม่าไม่มีวันตายหรอกแต่ร่างกายอาม่าเนี่ต้องตายยังไงวันนั้นอาม่าจะนอนยิ้มไปเลยยิ้มว่าฉันได้เปลี่ยนรถคันใหม่แล้วเห็นไหมรถ ตื่นเช้ามาก็เข็นเขนทั้งมอเตอร์ไซค์เขน็นไม่ติดไงก็อุตส่าเข็นอยู่นั้นแหละวันดีคืนดีเขาเปลี่ยนด้วยคันใหม่ให้เนร้องไห้ไหมทาไมดีใจอย่างเลยแล้วพอเราจะเปลี่ยนล่างใหม่ทําไมเราล้องไห้เพราะเราไปหลงหมันว่าตัวกูของกูไงนะนั่นแหละจิตวิญญาณจะเปลี่ยนชีวิตเราวิทยศาศาสตร์ เปลี่ยนแค่สิ่งแวดล้อมและตอนนี้เขาไม่ได้เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในทางที่ดีเขาเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในทางที่ตกต่บมากเลยโลกมันร้อนขึ้นตอนนี้คือฝีมือของวิทยาศาสตร์แต่เราปฏิเสธวิทยาศาสตร์ไม่ได้ในยุคนี้เราต้องเรียนรู้เรียนแล้วให้มันรู้นะแต่ไม่ใช่เรียนวิทยาศาสตร์แล้วก็ไปหลงมันแล้วก็เอาความสามารถเราเนี่ยมาสร้างอาวุธมาทาลายโลกทาลายมนุษยชาติด้วยกัน